เวลาฟังธรรมสงบสัมมลมนะใจที่สงบสัมมลมมีสมาธิถึงจะรองรับธรรมะที่ประณีตได้ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นของประณีตมากของงดงามประณีตไม่ใช่ของที่คนอัธยาศัยหยับหยาบจะรับได้แ้่เรามาเตรียมใจของเราให้พร้อมสําหรับธรรมะ อย่างสมัยโบราณคนโบราณท่านฉลาด ก, ก่อนจะฟังเทศมีไหว้พระสวดมนต์อาราธนาศีลอราธนาธรรมอนะไรเนี่ยเป็นการเตรียมใจให้พร้อมนะก็เกิดความพร้อมสองพวกนะพวกหนึ่งพร้อมรู้สึกตัวอีกพวกหนึ่งหลับได้ที่เลยนะงั้นพวกเราตอนนี้เป็นเวลาฟังธรรมนะเลิกถ่ายรูปได้แล้วเลิกได้แล้วล ะ, ละไม่มีประโยชน์อะไร ถ่ายก็ไม่เห็นตัวจริงหรอกถ่ายก็เห็นแต่วัตถุก้อนธาตุก้อนขั น, นสมัยก่อนหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่สิมมีวันหนึ่งคนมาถ่ายรูปท่านถ่ายไม่เลิกเลยท่านถามว่าถ่ายรูปได้แล้วถ่ายนิพพานได้ไหมเขาก็โต้อตอบท่านนะนิพพานนะยังไม่เห็นแต่เห็นหลวงปู่เขาถ่ายไว้ก่อนอ้ตกลงเลยไม่ได้ธรรมะเลยนะได้แต่รูปเอาไปทำอะไรรูป อ เ, อนะเอเาธรรมาของจริงของแทนะ้ถ้าเราได้สัมผัสของจริงของแท้แล้วเนะี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยที่เราจมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักเลิกนะเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงใจเราไม่เห็นความจริงอย่างความจริงของชีวิตเนะียมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในกายในใจนี้นะ มีแต่ของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนานี่คือความจริงของชีวิตร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายจิตใจของเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องมีความผิดหวังมีความโศกเศร้าร่ำไรลำพันมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความขับแค้นใจสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่บนเวียนอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้จิตใจยอมรับความจริงได้เช่นยอมรับได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รกักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รกักต้องสมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้างมีความปรารถนานะั้นนั้มีที่สิ้นสุดเลยสุดท้ายก็คือไม่สมปรารถนานั่นแหละเพราะว่าพอได้อย่างนี้ก็ขยายความต้องการไปเรื่อยๆชีวิตจะจบในความทุกข์เรามาเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตนะ ถ้าใจเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ใจจะไม่ทุกข์ร่างกายมันแกนะ่ไม่ใช่ต้องทุกข์เลยร่างกายแก่เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเจ็บป่วยอย่างพวกเราไม่ได้เตรียมใจเราเตรียมใจแต่ว่าต่อไปเราจะแกะ่นะถ้าคนหลงโลกเลยไม่เคยเตรียมใจว่าจะแก่ด้วยซ้ำไปอย่างพวกเราอาจจะเตรียมใจว่าอีกหน่อยเราต้องแก่แล้วละ่ะแต่เราไม่เคยคิดเตรียมใจเรื่องว่าจะเจ็บไข้อัตโนมัติแบบฉับพลันทันทีอย่างนี้น ไปตรวจร่างกายไปจําปีปีนี้อาจจะเจอมะเร็งก็ได้ใช่ไหมไม่แน่นอนเลยเนี่ยถ้าใจเราอยอมรับความจริงไม่ได้นะพอเราแก่ลงมาเราก็ทนไม่ได้ทุกทรมานใจเจ็บขึ้นมาก็ทนไม่ได้ทุกทรมานใจจะตายใกล้จะตายแล้วทุรนทุรายเสียดายอะไรอาวรลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสร้างมาตั้งนานอยู่ๆจะต้องทิ้งไปแล้วกลายเป็นของคนอื่นไปละวเนี่ยใจก็มีแต่ความทุกข์นะ หรือการที่เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยอย่างตอนเราคนไหนพวกเราคนไหนพ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไหมลองยกมือซิเยอะนะแสดงว่าได้เห็นสัจธรรมไปบางส่วนแล้วนะคนที่เรารักนะตายบางคนพ่อแม่ตายตั้งแต่เด็กก็มีนะคนไหนผู้ครองของเราตายแล้วบ้างมีไหมในห้องนี้ก็มีอีกนะคนไหนลูกตายมีไหม นี่มีมีสองสามคนนะการตายเนี่ยไม่มีลำดับเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้เนะนี่ยถ้าเราไม่เคยทำใจไว้ก่อนนะเราจะทุกข์มากอย่างพ่อแม่ตายเนี่ยคน ท, ทั่วไปจะทุกข์นะแต่ว่าไม่มากเพราะทำใจไว้แล้วว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนแต่พอลูกตายก่อนนะไม่เคยทำใจไว้เลยว่าลูกจะตายก่อนมันคิดว่ามันต้องตายตามลำดับไหลนะตามอาวุโสไม่เป็นอย่างนั้นนะ ใจอยอมรับไม่ได้ใจจะทุกข์มากพระพุทธเจ้าังมาสอนให้เรามาดูความจริงของชีวิตเราอย่าไปหลอกตัวเองให้เรามาคอยดูความจริงของชีวิตชีวิตนี้เต็มไปด้วยของไม่แน่นอนไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลให้มาดูที่ตัวเราเองไม่จำเป็นต้องไปเรียนออกข้างนอกให้ย้อนมาเรียนที่ตัวเราเองมาดูที่กายของเรานี่แหละถ้าเราเห็นความจริงว่ากายของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกายคนอื่นมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแหละ ไม่ต้องไปดูของคนอื่นดูของคนอื่นแล้วเกิดกิเลสง่ายมาดูของเราเองนะกิเลสจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยเพราะมันไม่ค่อยน่าดูหรอกนะมันมีแต่ความไม่สวยไม่งามมีแต่ความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกธาตุไหลเข้าไปก็สวยๆงามๆธาตุไหลออกมาไม่สวยไม่งามลนะไม่หอมนะเนี่ยมาดูของจริงในตัวเรานะนวันหนึ่งก็เห็นว่ากายนี้ใช้อะไรไม่ได้นะ ถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้นะกายจะแก่เราไม่ทุกข์กายจะเจ็บเราไม่ทุกข์กายจะตายเราไม่ทุกข์เพราะตัวไม่ดีมันจะตายตัวไม่ดีมันแก่ตัวไม่ดีมันเจ็บมันไม่ใช่ของดีของพิเศษเนสิ่งที่เราต้องฝึกนะก็คือการมาหัดรู้ความจริงของตัวเราเองความจริงของร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้เป็นแค่วัตถุที่ไหลเข้าไหลออก จิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงจิตใจมีแต่ความทุกข์บีบคั้นถูกถุกความอยากเกิดขึ้นที่ไรนั้นก็บีบคั้นจิตใจทุกทีไปเลยอยากจะอยู่นานๆมันไม่นานอยากจะสาวนานๆมันไม่นานเนี่ยอยากให้แฟนรักเยอะๆมันไม่รักอะไรเนี้ยนะอยากให้ลูกไม่ดื้อมันดื้ออเนี่ยความอยากเกิดขึ้นที่ไรนะมันก็บีบคั้นใจเราทุกครั้งไปเนี่ยเฝ้ามาดูนะจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงนะ ความสุขอยู่ชัวคราวแล้วก็หายไปแต่พอความทุกข์นั้นเรารู้สึกว่าเที่ยงความทุกข์ไม่รู้จักหายสักทีที่ความสุขแล้วก็ไม่เที่ยงเร็วอันนั้นเพราะใจเราอยากอยากให้ความสุขอยู่นานๆก็เลยรู้สึกสั้นนี่เรามาคอยดูนะในจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงจริงๆแล้วทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงนะอกุศลเช่นรอบหลดหลงทั้งหลายไม่เที่ยง ความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงความหดหูไม่เที่ยงความดีใจความเสียใจไม่เที่ยงความอิจฉาพยาบาททุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมาดูจิตใจต่อไปจิตใจนี้ถูกความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอยากดูก็ทุกอยากฟังก็ทุกอยากได้กลิ่นก็ทุกอยากได้รสก็ทุกนะอยากสัมผัสอะไรที่ดีๆก็ทุกอยากคิดอยากนึกเรื่องที่ดีนะมันไม่ยอมคิดชอบไปคิดเรื่องไม่ดี เรื่องความทุกข์เรื่องอะไรเนี่ยนะใจชอบไปวนเวียนอย่างเวลาอกหักนะเพื่อนๆชอบหลอกไม่อย่าไปคิดมันเลยห้ามไม่ได้ใจจะคิดยิ่งเรื่องไม่ดียิ่งชอบคิดยิ่งเรื่องทุกข์ยิ่งชอบคิดห้ามไม่ได้นี่คือคําว่าอนัตตานะเนี่ยเฝ้าดูลงไปในกายนี่ก็มีแต่อนิจจังทุกขอังอนัตตาในจิตก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราดูได้ใจยอมรับความจริงได้มไมเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรม คือเรายุรู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวไปหมดเลยถ้ายอมรับได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวเนี่ยความทุกข์จะหายพีเยอะเลยพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรมากนะพระโสดาบันท่านเห็นแค่ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปนะแล้วหลังจากนั้นก็ภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้นไปนะจนปัญญามันมากขึ้นไปอีกมันจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษ ถ้ามันเห็นความจริงว่ากายนี้ทุกข์ล้นลวนจิตนี้ทุกข์ล้นล้ว น, Trans ว น, นมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพอมันไม่ยึดถือกายนะมันก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ยึดถือจิตใจก็จะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปละไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละนั่นเป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเราเรียกว่าพระอราหันต์จะเป็นพระโสดา ห, หรือจะเป็นพระอรหรันต์ก็มาจากจุดตั้งต้นอันเดียวกันนะ จุดตั้งต้นก็คือเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจตนเองถ้าไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้โสดาก็ไม่ได้อย่าว่าแตานะ่พระอรหันต์เลยพระโสดาบันท่านเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาก็คือรูปธรรมกนันนามารมทั้งหลายก็กายกับใจของเรานี่แหละเต็มไปด้วยของที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งสิน้นเะนี่ยท่านเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยนะใจยอมรับ จะเห็นทั้งกายทั้งใจเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับร่างกายหายใจเข้าก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจออกเกิดแล้วดับไปกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเกิดแล้วก็ดับร่างกายเดินเกิดแล้วก็ดับร่างกายนั่งร่างกายนอนเกิดแล้วดับเนี่ยดูความจริงได้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เห็นรูปที่พอใจใจก็มีความสุขขึ้นมาให้รู้ทันว่าใจมีความสุขเห็นรูปที่ไม่พอใจใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันว่าใจมีความทุกข์ได้ยินเสียงที่พอใจใจมีความสุขรู้ว่าใจมีความสุขไม่ใช่รู้ว่าเสียงอะไรนะเสียงนกเสียงคนเสียงบ่นเสียงด่าเสียงชมไม่จำเป็นต้องรู้ตรงนั้นหรอกให้คอยรู้ที่ใจของเราอันเดียวนี้แหละตามองเห็นก็รู้ทันที่ใจตามองเห็นใจก็เปลี่ยน อได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนให้รู้ความเปลี่ยนแปลงที่ใจใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็ดีใจนี้เดียดเด๋ยวก็ร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูกันเป็นแรมเดือนแรมปีเลยละกว่าใจจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเราดูจนใจยอมรับนะไม่ใช่เราแกล้งยอมรับเอาเองยอมรับเอาเองฆ่ากิเลสไม่ตาย ถ้าจิตเห็นความจริงจิตยอมรับความจริงถึงจะฆ่ากิเลสตายเรื่องมันง่ายๆแค่นี้แหละแต่ว่าทําไมคนทั่วไปไม่สามารถที่จะดูกายดูใจตามความเป็นจริงได้มันแปลกไหมร่างกายของเรามีมาแต่เกิดใช่ไหมทำไมเราไม่เคยดูความจริงของกายจิตใจของเราก็มีมาตั้งแต่เกิดทําไมเราไม่เคยดูความจริงของจิตใจไม่เฉพาะเรานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุพรุษเราก็ไม่ได้ดู หมูหมากาะไก่อะไรก็ไม่ได้ดูนะหาคนที่จะมาดูความจริงของกายหาคนที่จะมาดูความจริงของใจได้เนี่ยหายากที่สุดเลยงั้นพระอริยะเลยขัดแคลนทั้งๆที่ไม่ได้ยากเลยนะที่จะพัฒนาจิตใจให้บรรูุ้อริยธรรมเนะี่ยไม่ได้ยากเลยแค่เราเห็นความจริงแค่จิตยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทุกอย่างในกายเกิดแล้วดับทุกอย่างในใจเกิดแล้วดับแค่นี้เองอะทไมทาไม่ได้ ที่ทําไม่ได้ก็เพราะว่าเราลืมกายลืมใจของเราทั้งวันเราไปหลงโลกภายนอกนะเราหมวแต่สนใจสิ่งภายนอกเราไม่ย้อนมาที่ตัวเองเพั้นก่อนที่เราจะมารู้กายรู้ใจตัวเองได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้มันย้อนกลับมารู้ตัวให้ได้ก่อนต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนถึงจะดูกายได้ต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อ น, ถ, ออนถึงจะดูจิตใจของตัวเองได้ถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้มีร่างกายนะก็เหมือนไม่มี เราลืมมันทั้งวันอย่างเวลาที่เราหลงไปคิดเวลาที่เราหลงไปคิดรู้สึกไหมร่างกายเราก็ยังอยู่นะแต่เราลืมมันจิตใจของเราสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างเวลาที่เราหลงไปคิดนะจิตใจก็สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างแต่เราไม่เห็นเรามัวแต่ไปรู้เรื่องราวที่คิดหรือไม่ก็สนใจออกนอกไปดูคนอื่นไปฟังเสียงข้างนอกนะ ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสเนี่ยใจเราออกนอกไปอยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสไปอยู่ที่สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายหรือไปอยู่กับเรื่องราวที่คิดนึกนั้นเรียกว่าธรรมรมทางใจใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งใจมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสนใจที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัส เรียกว่าพลทัพพระสัมผัสทางกายแล้วก็เรื่องราวที่คิดนึกทางใจเนี่ยมันสนใจออกนอกทั้งหมดเลยมันสนใจรูปมันไม่สนใจตามันสนใจเสียงมันไม่สนใจหูมันสนใจกลิ่นมันไม่สนใจจมูกมันสนใจรสมันไม่สนใจลิ้นมันสนใจความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายสนใจแต่เรื่องที่เราที่คิดนึกจูงแต่ง ไม่สนใจว่าจิตใจของตนเป็นอย่างไรเนี่ยใจมันออกนอกอย่างนี้ตลอดเวลานะเรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ถึงฐานใจไม่มีสมาธินะใจไม่ออกไปหมดเพราะงั้นมันจะไปอยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัพพธทะที่ธรรมอารมณ์คือเรื่องราวต่างๆที่ใจไปคิดไปนึกขึ้นมาเราต้องกลับข้างให้ได้นะอย่าปล่อยให้ใจไหลออกไปทางตาแล้วลืมตัวเองอย่าปล่อยให้ใจไหลไปทางหูแล้วลืมตัวเอง อยปล่อยให้ใจไหลไปคิดแล้วลืมตัวเองพยายามรู้สึกตัวให้มากที่สุดพยายามรู้สึกรู้สึกไปเราต้องมาฝึกที่จะรู้สึกตัวเพราะตั้งแต่เกิดมานั้นใจเราคุ้นเคยกับความไม่รู้สึกตัวใจเราคุ้นเคยที่จะไหลออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไหลไปคิดนึกทางใจใจเคยไหลออกนอกตลอดเวลาเราไม่ไม่คุ้นเคยนะที่จะย้อนกลับเข้ามาแล้วมารู้สึกตัวอยู่ เงินต้องฝึกธรรมชาติของจิตนั้นเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นั้นไม่ใช่ว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วก็ต้องปล่อยตามเวียนตามกรรมไม่ใช่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้มันถูกฝึกให้ออกนอกมาตลอดตั้งแต่เกิดนะสนใจสิ่งภายนอกมาตลอดสังเกตไหมเราไปเยี่ยมเด็กเล็กๆ เ, เ, เราชอบเอามือไปล่อมันรู้สึกไหมเห็นเด็กมันเกิดใหม่ๆนะมือปแปลกๆหน้ามันนะ ล่อมันให้ออกนอกนะเวีกรรมนะเนี่ยสอนให้เด็กส่งจีด อ, อกนอกเห็นไหมตั้งแต่เล็กๆขนาด น, นั้นเลยเห็นไหมใครเคยเป็นบ้างไปเจอเด็กแล้วต้องไปใหญ่ๆยกมือสิโอเนี่ยมีกรรมนะ <c oughs> ไปพาเด็กส่งจีด อ, อกนอกเห็นไหมเราถูกสอนอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยเห็นไหมเล็กๆ ก, ก็ถูกสอนนี่พ่อนะนี่แม่นะสอนไหมนี่ตัวเธอเองนะนี่ตัวเธอเองนะเธอย้อนมาดูนะมีใครสอนไหม มีแต่นี่พ่อนะนี่แม่นะส่วนมากจะแม่ก่อนแม่เรียกแม่สิลูกแม่แม่แ ม, แม่ให้ออกนอกทุกอย่างมีแต่เรื่องออกนอกนะสมัยก่อนนะไม่มีอะไรให้เด็กดูนะเอาปลาตะเพียนมาห้อยไว้ใครเคยเห็นบ้างปลาตะเพียนใบลานอนะ่ะใครเคยนอนดูปลาตะเพียนใบลานบ้างมีไหมเดือนน้อยเต็มทนะีต้องรุ่นเก่ากึอกอย่างหลวงพ่อเลยนอนดูปลาตะเพียนออกนอกไหม เห็นไหมว่าเราถูกฝึกให้ออกนอกตลอดเวลาเราไม่เคยถูกฝึกให้ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองเลยเพราะงั้นเราต้องฝึกนะอยู่ๆมันไม่ย้อนเข้ามาหรอกต้องฝึกมันเคยชินที่จะไปข้างนอกวิธีที่จะมาฝึกใจให้กลับเข้ามาอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่หลงไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่เรื่องราวที่คิดแต่ย้อนกลับมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าย้อนเข้าถึงจิตถึงใจได้เนี่ย เข้าถึงแกนกลางของชีวิตเลยตาหูวจมูกลิ้นกายนะยังเป็นแค่ใกล้กลางเท่า น, น, น, น, น, นั้นใกล้ศูนย์กลางเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราคือใจของเรานี่เองทําทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเห็นไหมสำเร็จได้ด้วยใจนะเพราะนใจนี่เป็นตัวหลักเป็นตัวประธานเลยถ้าใจของเราถูกอวิชชาครอบงําก็คือชีวิตเราถูกอวิชชาครอบงำแนละ้วถ้าใจเราล้างอาวิชชาได้นะเราก็เป็นอิสระจากกิเลส ท, ทั้งหมดแล้วอยู่ที่แตกหากอยู่ที่ใจนี่เอง เพราะฉะนนถ้าการทวนเข้ามาเนี่ยถึงใจได้ก็ดีที่สุดถ้ายัางถึงใจไม่ได้อย่างน้อยก็อยู่ที่กายสิ่งที่เป็นกายเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คือกายทั้งหมดนั่นแหละเราต้องมาฝึกที่ให้มันย้อนกลับมาที่ที่ตัวเราเองคือกายกับใจนี้นะวิธีฝึกต้องหากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาทําเบื้องต้นต้องทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมีความสุข ถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาเลยนะอย่างบางคนไปเดินจงกรมแล้วเครียดเดินแล้วเครียดนะเดินแล้วตึงไปหมดเลยเครียดไปหมดหลังยอกคอยอกแขนขาตึงไปหมดนะอย่างนั้นแสดงว่าไม่เหมาะกับจริตของเรากรรมฐานต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขให้เอากรรมฐานอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วให้จิตร่มเย็นเป็นสุขอยู่เฉย การน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นการทำสมถะกรรมฐานเพื่อพักผ่อนเท่านั้นเองจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความดีแต่จะไม่เดินปัญญามันมีสมาธินั้นมีสองชนิดเราต้องเรียนให้ชัดเจนนะส่วนมากนะคนที่ทำสมาธินะรุ่นก่อนนี้นะเกือบทั้งหมดเลยทำสมาธิออกนอก ไปพุโทโธจิตไปอยู่ที่พุโทโธไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าไม่เคยรู้ทันจิตตนเองเลยการที่ไม่รู้ทันจิตตนเองเนี่ยเรียกว่าข้ามบทเรียนสำคัญของพระพุทธเจ้าไปบทหนึ่งชื่อจิตสิกขาเราต้องรู้เท่าทันจิตของเราเพราะั้นต่อไปนี้เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมา เคยพุทโธก็ใช้พุทโธได้นะเคยหายใจก็ใช้ลมหายใจได้เคยดูท้องพองยุบก็ใช้ท้องพองยุบได้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหรอกถ้าทําแล้วมันสบายใจนะเพียงแต่กลับนิดหนึ่งแทนที่จะส่งจิตไปอยู่กับพุทโธแทนที่จะส่งจิตไปอยู่ที่ลมหายใจแทนที่จะส่งจิตไปอยู่ที่ท้องแทนที่จะส่งจิตไปอยู่ที่มือที่เท้าให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปที่อื่นเช่นเคลื่อนไปคิดรู้ทัน หายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะดูท้องพองยุบไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตมันจะเคลื่อนไปในสองลักษณะเท่านั้นเองคือเคลื่อนหลงไปในโลกของความคิดกับเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆถ้าจิตเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆนั่นคือการทําสมถกรรมฐานจะได้ความสงบเฉยๆจะไม่มีปัญญาถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดอันนั้นหลงไปเลย สมถาก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยเวลาที่จิตหลงไปเพราะฉั้นเรามาฝึกนะพุโทโธไปหายใจไปดูท้องพองยุบไปตามถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตลงมาเพ่งอยู่ที่อารมณ์อันนั้นนะมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับท้องจิตเคลื่อนไปอยู่สิ่งเหล่านี้รู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนืองเนืองเนี่ยทันทีที่รู้ทันจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติ ก็จิตที่เคลื่อนเนี่ยนะคือจิตที่มีโมหะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีโมหะโมหะชนิดที่เรียกว่าอุดทัตจะความฟุง้งซ่านจิตมันฟุ้งไปในความคิดบ้างฟุ้งไปที่ลมหายใจบ้างฟุ้งไปที่ท้องบ้างฟุ้งไปที่เทาบ้างถ้าเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันนะเ่าจิตมันเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้บังคับ ถ้าเราบังคับจิตจะตึงเครียดถ้าจิตตึงเครียดจิตเป็นอาคุสลไม่ใช่จิตที่ดีเลยเพราะงั้นอย่าไปข่มอย่าไปกดอย่าไปบังคับนะอย่าไปกดขี่ข่มเหงจิตใจและให้คอยรู้ทันเท่านั้นว่าจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดรู้ทันเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันนะให้รู้ทันเฉยๆทันทีที่รู้ทันเราจะเริ่มเก็บคะแนนของความรู้สึกตัวไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตไหลไปคิดเคลื่อนไปคิด เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเคลื่อนไปเพ่งนะเวลาไปดูเนี่ยบางทีถลําตามไปอีกเลยไม่ขึ้นมาเลยก็มีแต่ถ้ารู้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตจะขึ้นมาได้นะขึ้นมาเองแต่ส่วนใหญ่พอไปดูซ้ำน้ำก็ลงซ้ำลงไปอีกไปอยู่ที่ท้องหนักขึ้นไปอยู่ที่ลมหนักขึ้นงั้นบางทีบอกดูแล้วทาไมก็ไม่หายเพ่งก็ดูแบบเพ่งเพ่งอ่ะยิ่งดูยิ่ ง, งเพ่งอะ่ะ แต่เวลาเผลอไปคิดเนี่ยทันทีที่รู้ว่าจิตเผลอไปคิดนะจิตจะดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ทันทีเลยทันทีที่จิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกกายได้มันจะรู้สึกใจได้แล้วมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองเรียกว่าจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของคนในโลกเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวตลอดออกไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่เรื่องราวที่คิดไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ตัวเองได้นะ ถ้ากลับมาอยู่ที่ตัวเองได้ก็คือกลับมาที่จิตได้จิตที่หลวงพ่อบอกให้จิตถึงฐานถ้ายังเข้ามาถึงจิตไม่ได้ให้มาอยู่ที่กายไว้ก็ยังดีกายเป็นบ้านของจิตนะมาค่อยรู้อยู่ที่กายดูจิตไม่เป็นดูกายไปก่อนนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อพอนานะพอนักนะวันหนึ่งก็อดสงสัยไม่ได้ไปถามหลวงปู่อีกลองปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนนะั้นได้ยินแต่ครูบาอาจารย์อื่นๆนะ ท่านมักจะพูดถึงคําว่าพุโทโธพิจารณากายผมจะต้องไปพิจารณากายอีกไหมหลวงปูดุลตอบบอกว่าเอาทําไมกายเป็นของทิ้งที่เขาพิจารณากายเนี่ยนะก็เพื่อให้เข้ามาถึงจิตเมื่อถึงจิตแล้วจะเอาทําไมกับกายนี่ท่านสอนอย่างนี้นะต่อมาอีกนานหลายปีเลยเป็น10ปีเลยเจอหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเป็นรู้สิกหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ฟันเป็นรู้สิึกหลวงปูดุล ท่านก็เลยโยงกันนะท่านก็นับถือหลวงปู่ดุลย์อยู่หลวงปู่สุวัสด์ก็บอกหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยไปเจอท่านจันมั่นจันมั่นท่านบอกนะว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายะกายมันเป็นบ้านของจิตอะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะไว้นทําสมถะนะจิตสงบจิตมีความสุขขึ้นมามีสติรู้ว่าจิตมีความสุขมีความสงบมีปีตะนี่มันกลับมาดูจิตได้แล้ว นะจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านนะร่างกายเหมือนบ้านที่จิตอยู่เราอยาก By, <te le> หาเจ้าของบ้านแต่ยังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าที่บ้านไว้คอยรู้สึกอยู่ที่กายไว้เดี๋ยววันหนึ่งเราก็เห็นจิตได้นะงั้นเราถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยนะดูจิตไม่ได้รู้สึกในกายไวนะ้คอยค่อยคอย่คยฝึกไปนะถ้าใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นร่างกายของตัวเองได้ถ้าใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นจิตใจของตัวเองได้ ถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจไหลไปทางตาเราจะไปเห็นรูปภายนอกถ้าใจไหลไปทางหูเราจะไปได้ยินเสียงถ้าใจไหลไปทางจมูกเราจะไปได้กลิ่นถ้าใจไหลไปที่ลิ้นเราจะได้รส ถ, ถ้าใจไหลไปตามผิวกายเนี่ยเราจะรู้สึกสัมผัส ภ, ภายนอกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรข้างนอกได้ข้างในก็รู้สึกได้นะรู้สึกได้แต่จิตมันเคลื่อนทั้งสิ้นเลยเช่นรู้สึกท้องที่กระเพิ่มไปกระเพิ่มมาจิตเคลื่อนไปที่ท้องนั่นเอง นั้นถ้าจิตเคลื่อนไปไมันจะรู้ออกนอกนะัถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาดูกายดูใจของตนเองโดยที่จิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวนี้แหละตัวแตกหักถ้าเราสามารถพัฒนาจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะเรียกว่าเราได้ลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่สําคัญที่สุดเลยนะแต่อาภัพคนไม่รู้จักคนรู้จักแต่อารามณูปนิชฌานสมาธิมีสองชนิดนะ สมาธิชนิดที่หนึ่งชื่ออารามณูปนิชฌานจิตไปเพ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นไปเพ่งอยู่ที่พุโทโธไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องพองยุบไปเพ่งอยู่ที่มือที่เท้าอันนั้นจิตออกนอกลัคนูปนิชฌานเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเลยร่างกายมันแสดงไตรลักษณ์ได้จิตใจแสดงไตรลักษณ์ได้ดังั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานจิตออกนอกเนี่ยหลายสำนวนนะอันเดียวกันนั่นแหละ จิตมันส่งไปข้างนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือส่งไปคิดไปนึกมันจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เราต้องมาฝึกนะตัวนี้เป็นตัวแตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มากผลหรือไม่ถ้าเราไม่มีลักคนูปนิชานไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เรายังไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้อารามณูปนิชานคือสมาธิเพ่งอารมณ์นี้ใช้ทําสมถะกรรมฐานนะ แล้วก็ใช้สำหรับมีชีวิตยอยู่กับโลกอย่างเป็นต้นว่าเราจะเขียนซอฟต์แวร์อะไรนี่นะสักอันหนึ่งนะสมสาที่เราต้องออกนอกไปอยู่ที่ความคิดใช่เราถึงจะเขียนซอฟต์แวร์ได้อันนี้เรียกว่าอารมณ์ปนิชฌานนั่งเพ่งไฟนั่งเพ่งลมหายใจนั่งเพ่งท้อ ง, งอันนี้เรียกว่าอารมณ์ปนิชฌานไปเพ่งตัวอารมณ์ส่วนรักขณูปนิชฌานเนี่ย ใช้ตอนไหนบ้างลักคนูปนิชานใช้ในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานใช้ในขณะที่เกิดอริยมรรคใช้ในขณะที่เกิดอริยผลใช้ในขณะที่พระอริยเจ้าเข้าพละสมบัติเข้าผลสมบัติผลสมบัติก็คือเกิดผลลจิตจิตในขณะที่บรลุโสดาสกตาคานันแหละจะเกิดผลอย่างนั้นซ้ำขึ้นมาแต่ว่าไม่ล้างกิเลสเพราะมีแต่ผลไม่มีมรรค นันเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ใช้รักขณูพระนิชานจิตตั้งมั่นถึงฐานเลยนั่นเราต้องมาฝึกนะให้จิตตั้งมั่นถึงฐานให้ได้แล้วเราก็มาเจริญปัญญามาทำมิปัสสนาพอจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเวลานี้คนที่ทำแบบนี้ได้นับไม่ถ้วนแล้วนะมีเยอะมากเลยนะที่ใจมัน ตังมั่นขึ้นมามันเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวแต่มันยังเห็นได้เป็นขณะขณะนะบางทีก็เห็นบางทีก็ไปไหลไปรวมเป็นก้อนเดียวกันถ้าจิตกับกายไปรวมกันจิตบวกกายจะได้อะไรรู้ไหมจะได้กู <c oughs> จิตบวกกายจะกลายเป็นกูนะอะมันรวมกันขันมันรวมกันขึ้นมาอะไรมันจะเป็นตัวเราขึ้นมาถ้าขันมันแยกขึ้นมานะขันที่ก็จะเป็นขันเท่านั้นเองกายก็ส่วนกายแค่รู ป, ปธรรมะ เวทนาความสุขท er, ุกข์กับกายก็คนละนกันเวทนากับจิตคือเวทนาคือความสุขความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยกกายก็เป็นโคนละนกับจิตก็เป็นโคนละอันสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ความจํำไม่ใช่จิตด้วย เนี่ยสภาวะทำแต่ละอันแต่ละอันจะกระจายตัวออกไปนะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆบางคนซึ่งเคยเจริญสติเจริญปัญญามาดีแล้วในชาติก่อนนะทันทีที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยขันแตกตัวออกเลยจะเห็นว่ากายกระใจนี้เป็นคนละอันเเห็นทันทีเลยนะแต่ถ้าบางคนถนัดดูจิตก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกันคนบางคนถนัดดูจิตแ้เห็นว่า กุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงกับจิตเป็นคนละอ่านกันเราจะแยกกันนะถ้าเราแยกสิ่งเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าเราแยกธาตุแยกขันเป็นนะถ้าเต็มยศนะแยกธาตุก็คือหมายถึงกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอ่านนี้แยกขันนะกายนี่มันก็ขันหนึ่งนะใจก็ขันหนึ่งต่างกายนี่แยกออกไปได้อีกเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม ส่วนจิตใจนะั้นก็แยกได้เป็นขันอีกสีขันเป็นเวทนาขันคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาขันความจําได้หมายรู้สังขารขันความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณขันความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะแยกออกมาถ้าแยกได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าแยกได้แล้วจะเห็นไตรลักษณ์ของแต่ละาธาตุแต่ละขันนั้ น, นะจะทําลายล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, ม ต, มตนได้จะเห็นเลยว่ารูปไม่ใช่ตัวเรา ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าใครเห็นความสุขความทุกข์เป็นตัวเรานะแสดงว่าขันมันยังไม่แยกแต่ถ้าขันแยกแล้วมันไม่ใช่เราสุขเราทุกข์แล้วนะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งหนึ่งจิตอยู่ต่างหากนะไม่เกี่ยวกันความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตปรุงขึ้นมาแล้วก็จิตไปรู้เข้าถ้าจิตไม่รู้ทัน ไอ้สิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาคือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละจะกลับเข้ามาปรุงแต่งจิตอีกทีหนึ่งจิตปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาก่อนนะแล้วสุดท้ายกิเลสกลับมาปรุงแต่งจิตได้อีกมันพอกิเลสมาปรุงแต่งจิตนั่นก็คือขันมันกลับมารวมกันนะมันมีกูขึ้นมาอีกแล้วมีตัวเราของเราขึ้นมาอีกถ้าเรามา ah นะหัดรู้นะหัดแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยเพื่อจะได้เห็นสภาวะแต่ละอันแต่ละอันนั้นไม่ใช่อันเดียวกันร่างกายไม่ใช่จิตใจ ความสุขความทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่กายไม่ใช่ใจไม่ใช่ความสุขความทุกข์ด้วยใจก็อยู่ต่างหากไม่ใช่กายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่กุศลอกุศลแต่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าเราแยกได้อย่างนี้แล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์จำไหมนะถ้าแยกได้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าแยกไม่ได้ทําได้มากที่สุดก็แค่คิดถึงไตรลักษ์เท่านั้นเช่นเราแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นใจกับกายของเราย่ารวมเป็นปึกแผ่นเดียวกัน เราจะดูกายให้เป็นไตรลักษณ์ก็ได้แต่นั่งคิดร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะอย่างเช่นผมแต่ก่อนดำเดี๋ยวนี้หงอกแล้วผมแต่ก่อนมีมากเดี๋ยวนี้มีน้อยอะไรเงี้ยอันนี้คิดเอายังไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นแค่การคิดเอาถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วแล้วขันมันแยกออกจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเรา กุศลกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีจิตที่เป็นอมตะเลยถ้าใครเห็นจิตเป็นอมตะเห็นจิตเป็นของเที่ยงจิตมีดวงเดียวนี่คือมิจฉาทิฏฐิขนานแท้และดั้งเดิมคือเห็นจิตเป็นอัตตาพระพุทธเจ้านี่แหละลุกขึ้นมาปฏิวัติรัตที่ที่ว่าจิตเป็นอัตตาท่านบอกเลยว่าเป็นอนัตตานะทำทั้งปวงเป็นอนัตตา ถ้าเรามาดูให้เห็นของจริงนะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกไปมีใจตั้งมั่นแต่ใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยอยู่ได้ไม่นานแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ไปดูผู้ไปฟังผู้ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอีกสังเกตไม้มใจเรารู้สึกตัวได้ได้นิดเดียวเห็นไหมเวลาหลงหลงยาวรู้สึกไหมเวลาหลงหลงยาวเวลารู้สึกตัวเนี้ยสั้นใช่ไหมเวลาหลงแล้วยาว แลเราต้องมาคอยฝึกทุกวันนะทําในรูปแบบไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปจิตไหลไปแล้วรู้ทันนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปจิตไหลแล้วรู้ทันซ้อมให้ได้ทุกวันทุกวันนะอย่างน้อยวันหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีก็ยังดีแล้วจะดียิ่งกว่านั้นอีกนะถ้ามีวันละหลายรอบรอบแล้วไม่ต้องนานถ้านานเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวขี้เกียจรอบละห้านาทีก็ได้ตื่นนอนมานะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยสักห้านาที ไปถึงที่ทํางานแล้วก่อนจะลงมือทํางานนะไหว้พระซะหน่อยแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดสักห้านาทีแล้วค่อยทํางานก่อนจะกินข้าวนะเดินไปตักไปซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยนะก็รู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาได้กินข้าวก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะกินก็ค่อยมีกําลังนะถ้าเราฝึกวันหนึ่งได้หลายหลายรอบเนี่ยจิตจะมีพลังมากเลยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างนั้ น, นทั้งวันได้ แล้วถ้าเคยมีวาสนาเก่าในทางเจริญปัญญานักขันจะแยกเองถ้าขันไม่แยกต้องช่วยให้แยกด้วยการคิดพิจารณาให้แยกเนี่แหละตรงที่ว่าให้คิดพิจารณาเนี่ยมันมาอยู่ตรงจุดตั้งต้นเท่านั้นเองนะถ้าเดินวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะไม่คิดหรอกวิปัสสนาแปลว่าเห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาไม่ใช่วิตกวิตกแปลว่าคิดว่าตรึกตรองคนละอันกันเลยแต่เบื้องต้นบางคนต้องคิดก่อนนะ เพอทำสมาธิใจตั้งมั่นแล้วก็นิ่งไม่กระดุกระดิกเลยไม่ยอมดูกายไม่ยอมดูใจต้องน้อมมาดูกายรู้สึกอยู่ที่ร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่ค่อยๆสอนมันไปนี่ร่างกายมันนั่งอยู่นะใจเป็นคนดูนะรู้สึกไหมร่างกายหายใจออกแล้วนะใจเป็นคนดูรู้สึกไหมสอนมันไปเรื่อยๆนะใจเย็นๆอย่าไปสอนแบบเคงนะ่งเคลียนอีกโ่เห็นไหม อะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะจิตไม่ชอบให้ใครบังคับนะชอบโอ้โลมปฏิลมจิตอนะค่อยๆปลอบค่อยๆสอนอย่าไปเคี่ยวเข็นมากนะั้กมันไม่พอใจแล้วมันจะดื้อเลยจิตเนี้ดื้อเวลาดือ้อแล้ดือด้อโคตรๆเลยนะแบบเอาไม่อยู่เลยนะเพราะงั้นต้องค่อยๆปลอบค่อยๆพูดดีๆกับเขาเมื่อก่อนเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ขาวผจริงหลวงพ่อเข้าวัดท่านหลวงปู่ขายนะแต่ไม่ได้ไปหาท่านเพราะตอนนั้นนะรู้ว่าท่านอยู่ในห้องกระจกแนละ้ ท่านสอนไม่ได้แล้วต้องไปเลือกหนาะครูบาอาจารย์ที่สอนได้ในประวัติหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านไปพานาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านอยู่บนเขานะแล้วจิตท่านเหมือนดื้อ ม, มากแนละท่านด่าจิตอยู่เรื่อยๆพอเช้าลงจากเขามาหลวงปู่มั่นแลสอนอย่าไปด่าจิตนะจิตนั่นแหละคือพุทธะนะจิตเป็นของดีของวิเศษอย่าไปด่าเขาค่อยๆปลอบเขาพูดดีๆกับเขาอ่ อ, อนโยนกับเขาท่านเลยหันมาเจริญเมตตา ใ, ใจของท่านก็สงบใจสงบแล้วท่านเดินปัญญาต่อได้นะ อันนั้นเป็นเรื่องว่าเราอย่าไปเค้นจิตมากนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆสอนจิตไปเออร่างกายมันนั่งนะเห็นไหมใจเราเป็นคนดูอยู่เนี่ยพูดกับมันเพลาะๆนะอย่าไมแต่ไม่ต้องเพลาะมากพ่อเจ้าประคุณเอย๋ยอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะมันเว่อร์ไะเอาสบายๆเห็นไหมร่างกายกําลังยิ้มรู้สึกไหมเนี่ยง่ายแค่นี้เห็นไหมร่างกายพยักหน้าง่ายแค่นี้เองนะ ทำใจให้สบายแล้วมันก็เห็นเองเห็นไหมร่างกายกำลังพัดเห็นไหมร่างกายดมยาดม เ, ออเห็นไหมร่างกายยิ้มอีกแล้วเนี่ยคอยรู้สึกนะเห็นไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นะใจเราไปรู้มันนะใจเราเป็นคนรู้แค่นี้แหละค่อยๆฝึกอย่างนี้แหละนะส่วนความรู้สึกทางใจเนี่ยขณะนี้บางคนสงสัยรู้สึกไหมบางคนสงสัยอยู่ถ้าใจมันสงสัยขึ้นมา นะเราเห็นเลยความสงสัยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะความสงสัยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะค่อยๆสอนมันไปแต่ถ้ามันแยกแล้วนะไม่ต้องสอนนะอย่าพูดมากธรรมดาจิตพูดมากอยู่แล้วเราไม่ต้องไปช่วยมันพูดกว่าจิตจะหยุดพูดได้นานนะนานเมื่อก่อนหลวงพ่อพนา น, านนะโอ้จิตทาไมมันภาคไม่เลิก ใครเคยเห็นจิตภาคได้บ้างนี่ เ, เห็นไหมยกมือแล้วเนี่ยจิตภาคนะลแล้วโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วนะฟุ้งซ่านแล้วนะจิตภาคบ่นมานะเมื่อไหร่จะเลิกภาคที่ลาคาญปรากฏมันไม่เลิกหรอกพอนานหลายปีนะกว่าจิตจะเลิกพูดอนะต้องค่อยๆฝึกไปอย่าไปว่ามันนะยิ่งว่ามันยิ่งดื้อ น, นะจิตนะ่ะค่อยๆปลอยค่อยๆให้กําลังใจเชียร์มันบ้างชมมันบ้าง แต่อย่าให้มันเหลิงเชียร์มากนะกิเลสมาแล้วก็หลงตามใจกิเลสไปอย่างนั้นเรียกว่าพาจิตเหลิงไปละไมเอานาด น, นั้นไม่เอานะแค่ทะนุถนอมมันหน่อยค่อยๆปลอบมันเออเห็นไหมความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันนะเวลาคนทั่วไปโกรธนะก็จะไปดูคนที่ทำให้โกรธของเราเวลามันมีความโกรธเกิดขึ้นมานะรู้ทันว่าใจมันโกรธจะเห็นว่าโกรธกับใจเป็นคนละอนกัน แต่ถ้ายังไม่เห็นก็ค่อยๆสอนมันไปเออดูสิความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยๆหัดอย่างเนี้นะแล้วต่อไปมันจะแยกกันแยกเองอย่าพยายามไปดึงจิตออกจากอารมณ์นะให้เขาแยกของเขาเองอย่าไปดึงออกมาถ้าดึงออกมานี่ยจิตจะแข็งทื่อเลยจิตจะไม่พอใจนะมีความขุ่นเคืองลึกๆอยู่เพราะถูกบังคับเหมือนติดคุกอยู่เฉยๆมาตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยพอร่างกายจะเคลื่อนไหว่เคลื่อนละ ยักหน้าลนะอย่างนี้มันเกินไปนะให้รู้สบายๆ ย, ยิ้มรู้สึกไหมยิ้มรู้สึกไปตัวอะไรยิ้มเหมือนเห็นคนอื่นยิ้มเลยนะใครรู้สึกอย่างนี้นะสุดท้ายมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า จิตก็ไม่ใช่ตัวเราก็สั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้แล้วจิตทํางานได้เองวิ่งไปดูได้เองวิ่งไปฟังได้เองวิ่งไปคิดได้เองในขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันทํางานสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็หนีไปคิดสลับไปสลับมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตมันทํางานได้เองเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยไปนะวันหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมา ตรงที่มันปิ้งขึ้นมาเป็นความรู้รวบยอดนะตรงที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือจิตมันได้ความรู้รวบยอดว่าทุกสิ่งที่เกิดนะดับทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะมันเห็นอยู่ร่างกายที่ยิ้มมันเกิดแล้วก็หายไปร่างกายที่พยักหน้าเกิดแล้วก็หายไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็หายไปนะร่างกายมีความสุขความสุขเกิดแล้วก็หายความทุกเกิดแล้วก็หาย จิตใจมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆขึ้นมาก็เห็นอีกความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปจิตใจมีกุศลมีอากุศลมีโลภโกรดหลงก็เห็นอีกนะกุศลเกิดแล้วก็ดับโลภโกรดหลงเกิดแล้วก็ดับจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาไปดูรูปเดี๋ยวไปเกิดที่หูไปฟังเสียงเดี๋ยวไปเกิดทางใจคือไปคิดทางใจก็เกิดได้หลายแบบเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดนึกปรุงแต่ง แ <uper ior no> เราเห็นจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นซ้ําๆไปนะสุดท้ายมันจะรู้เลยว่าชีวิตที่เรามีอยู่เราคิดว่าชีวิตเรามีจริงๆนะั้นนะ่ะแท้จริงแล้วมีชีวิตอยู่ชั่วขณะจิตเดียวนี่เองพอจิตเกิดแล้วก็ดับไปก็คือเราตายเป็นหนึ่งชาติแล้วนะหนึ่งทีชีวิตละเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเราตายอยู่ทุกขณะเราแต่ไม่เคยเห็นต่อไปมาคอยดูนะเราจะเห็นว่ามันมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ ถ้าใจทีแรกก็เห็นโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับอย่างนี้นะสุขทุกข์เกิดแล้วดับหายใจออกหายใจเข้าเกิดแล้วดับแต่ไปตอนที่ใจมันแจ้งธรรมะเนี่ยมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างแหละเกิดแล้วดับเพราะนั้นตอนที่เข้าใจธรรมะไม่ใช่รู้ว่าโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับนะแต่รู้ว่าอะไรเกิดไอ้นั้นแหละดับ everything ทุกอย่างเลยเกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี้ไม่มีภาษามนุษย์จะมายุ่งด้วยแล้วนะไม่ใช่ว่าอ๋อนี่โรบเกิดแล้วดับโกรธเกิดแล้วดับอันนี้อยู่ในขั้นของการปฏิบัติแต่ตอนที่ขั้นใจมันปิ๊งใจมีดวงตาเห็นธรรมมันจะสรุปเลยว่าทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวรถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราจะได้ธรรมะแล้วเรียกว่าตกกระแสธรรมนะเป็นพระโสดาบันพึ่งตัวเองได้แล้ว หลังจากนั้นเราก็ภาวนาเหมือนเดิมแหละดูกายดูใจไปปัญญามันจะค่อยพอกพูนไปถึงจนหนึ่งมันจะเห็นในกายนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายภายในล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะถ้าดูจิตไปก็เห็นได้นะดูจิตไปก็เห็นได้ดูกายก็เห็นได้ที่จะเห็นว่ากายเป็นทุกข์ก็ดูจิตก็เห็นกายดูกายเป็นก็เห็นจิตมันอันมันเนื่องกันไปเนื่องอันมา แล้วเราหัดดูของเราเรื่อยไปนะถ้าถนัดดูจิตก็ดูจิตไปวันหนึ่งมันก็ปิง้งขึ้นมาไก่นี่ทุกร้อนรนเลยพวกเราที่ดูจิตอ่ะใครไม่เห็นกายบ้างมีไหมสังเกตไหมพวกเราดูจิตที่ชํานาญนะนอนหลับอยู่ร่างกายพลิกตัวอย่างรู้เลยใช่ไหมแล้วจะมาบอกว่าดูจิตแล้วไม่เห็นกายอั่นเข้าใจผิดแล้วละ่ะเราเห็นเห็นกายอยู่แทบทุกขนาดจิตด้วยซ้ําไปนะขยับเค ย, ยื่นนี่มันรู้สึกตลอดนะไม่มีหรอกนั่งเผลอเผลอเดินสเปสสปาอะไรไม่มีหรอก จะเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยมันมีแต่ความรู้สึกตัวนะมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยเพราะมันจะเห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์นะทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ตลอดเวลาทําไมต้องเปลี่ยนเอเรียบทเปลีเอรียบทก็เพราะมันทุกข์หนีทุกข์ต้องเปลี่ยนเอเรียบททาไมต้องเกาทาไมขันแล้วต้องเกาเห็นไหมมันทุกข์ต้องเกา ทำไมต้องกินข้าวเพราะมันทุกข์ต้องกินข้าวทำไมต้องขับถ่ายเพราะมันทุกข์ต้องขับถ่ายทำไมเหงื่อต้องออกเพรานะมันร้อนนะมันทุกข์นะเหงื่อต้องออกเนี่ยมันจะเห็นในในไก่นี้นะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งๆ้งที่ว่าเราดูจิต ด, ดูจิตนะจิตแจ้งแจ้งที่ไก่นี่มแจ้งเองเลยสุดท้ายมันจะรู้เลยกายนี้ทุกข์ล้นล้นไกยนี้ไม่ใช่ว่าสุขบ้างทุกข์บ้างเหมือนที่เคยเห็นเหมือนที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาเห็นกัน แต่ว่ามันคือทุกข์รุนรุนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือกายถ้าเห็นทุกข์นะจิตจะพ้นความยึดถือเลยนะต่อไปเราก็มาดูจิตต่อตรงที่มันไม่ยึดถือกายแล้วนี่มันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีมันจะย้อนมาที่จิตแล้วส่วนใหญ่จะมาเสร็จตรงนี้เลยภูบาอจารย์สอนหลวงู้ ด, ดุลบอกเลยนักปฏิบัติที่ว่าดังๆมีชื่อเสียงส่วนใหญ่มาตายอยู่ตรงพระอนาคามีนะไปไม่รอดหรอกเพราะยึดถือจิตไม่เลิกต้องเห็นจิตเป็นตัวทุกข์อีกทีนะถึงจะปล่อย หลวงพ่อเพิ่มขึ้นไปสุรินมาหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งแต่ท่านไม่เปิดเผยหรอกท่านอยู่ท่านเงียบๆไม่ยุ่งกับใครนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็บวชกับหลวงปูด่ดนะูล่านบวชกับหลวงปู่ดูลได้ 3, สามพรรษาอะไรนะเข้าไปหาหลวงปู่หนะลวงปู่ก็สอนท่านบอกว่าไอ้ที่จะปล่อยวางอะไรเนะี่ยไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยากหรอกนะถ้าเห็นทุก ถ้าเห็นกายเป็นทุกข์มันก็ปล่อยถ้าเห็นจิตใจเป็นทุกข์มันก็ปล่อยนีหลวงปู่บอกว่ามันไม่ยากหรอกขอให้เห็นทุกข์เท่านั้นเองนั้นที่หลวงปู่ดินสอนเนี่ยตรงเป๊ะกับที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะพระเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์หลวงปู่ดูนท่านก็สอนให้รู้ทุกข์นั่นเองทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงไปในกายบ่อยๆทุกข์อยู่ที่จิตรู้ลงในจิตบ่อยๆถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะก็ได้ผ้าหนักขาถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะก็พ้นทุกข์พ้นร้อนแล้ไม่เกิดอีกละน่ะ รรมไม่ใช่มาลงกันหมดนะทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติลงเป็นที่เดียวกันนี้แหละค่อยๆฝึกเอาไม่ยากอย่างที่คิดหรอกนะขั้นแรกสรุปนะรักษาศีห้าไว้ก่อนถ้ามีศีห้าจิตใจจะสงบง่ายขั้นที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกัตัวคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งได้ยิ่งดีเราจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันเรารู้ทันจิตที่ไหลนีจิตจะตั้งมัน่นโดยเฉพาะการรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยจะทําให้จิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันเจริญปัญญาเห็นกายกระจเป็นโคนละอันกันเห็นความสุขความทุกข์กับจิตใจเป็นโคนละอันเห็นกุศลกับจิตใจเป็นโคนละอันเห็นจิตใจนั้นละเกินดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เฝ้าดูอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเจริญปัญญาไม่ยากเกินไปหรอก แต่ทำไมที่ผ่านมาหาพระอริยะายากเพราะเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะแบบนี้นะเราส่วนใหญ่เราก็ได้ยินแต่เรื่องทำทานถือศีไปนั่งสมาธิให้สงบไปเราไม่ได้ก้าวขึ้นมาฟังธรรมะในขั้นของการเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาได้นะโลกจะไม่ว่างจากพรารหัะนะนั้นเราเจริญสติปัฏฐานนะแล้วก็เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจทาอย่างนี้โลกไม่ว่างจากท่าละหันะ ให้ฝึกนะให้ฝึกไปหลวงพูดดนนะ่ดูลท่านสอนมากกว่านี้อีกนะท่านสอนไปถึงขนาดว่าจิตพระอรหันต์เป็นยังไงท่านสอนเรื่องจิตคือพุทธะท่านสอนถึงการเข้านิพพานอีกนะสอนสอนไปอีกเยอะเลยนะแต่หลวงพ่อไม่สอนเรารเราเนี่ยเราไปคิดเอาทราบแล้มัธการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกอือโอเดี๋ยวก่อุกคน หลวงพ่อบอกกติกาของการส่งกันบ้านก่อนนะส่งกันบ้านเนี่ยขอให้ส่งเรื่องของเราเองการปฏิบัติของเราเองนะเราสำรวจใจของเราเลยว่ามันติดขัดจริงๆจาเป็นจริงๆต้องส่งไม่ส่งเพื่อโอวัดนะบางคนส่งเพื่อจะอวดว่ากูเก่งนะมีนะมันน่าเกลียดคนที่เขารู้ทันเนี่ยเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้งั้นเราไม่ส่งเรื่องของคนอื่นเรื่องอะไรตอนอะไรนอกเรื่องการปฏิบัติของเรานี่ข้อนึง อีกข้อหนึ่งเวลาส่งกันบ้านนะอย่าไปเอ่ยถึงสำนักอื่นครูบาอาจารย์อื่นเลยเนี่ยนะถ้าเอ่ยแล้วหลวงพ่อไปบอกว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเลยเนะี่ยเสียมารยาทมากเลยไม่งามแล้วดีไม่ดีมันขัดแย้งกันนะก็แค่เล่าว่าเราปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยก็ว่าแค่นั้นพอนะอ่ะว่า ม, มาอืคืออยากให้หลวงพ่อแนะนําว่าควรจะปฏิบัติยังไงะคะใจฟุ้งซ่านไหมธรรมดาค่ะคือพยายามทําทุกวันแต่รู้สึกว่า ใจมันฟุ้งไหมปกติคถ้าใจมันชอบฟุ้งซ่านนะหายใจไปพุทธโธไปเรื่อยๆยังไม่ต้องคิดเรื่องวิปัสนาอะไรหรอกนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใจฟุ้งซ่านหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใจฟุ้งซ่านหนีไปคิดรู้ทันกรรมฐานลมหายใจเนี่ยเหมาะกับคนที่มีโมหะเยอะนะคนที่ฟุ้งๆแล้วจําเป็นต้องนั่งนานๆไหมคะเดินอยู่ก็หายใจอยู่นะ เราไม่ได้หายใจแต่ตอนนั่งเนี่ยนั่งห้องน้ําก็หายใจใช่ไหมหายใจเข้าไปหายใจออกไปใจหนีไปคิดรู้ทันะการปฏิบัติไม่เว้นวากนะไม่ใช่วันหนึ่งปฏิบัติเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสามชั่วโมงไม่ต้องปฏิบัติไม่ใช่นะคือหายใจอยู่เมื่อไหร่ก็ภาวนาอยู่มานั้นแหละถึงจะได้ของดีนขอให้ทําบ่อยๆแล้วก็ตั้งใจใช่ใช่แต่อย่าไปบังคับมันให้สงบนะสงบสักที มันจะโมโหแทนมันไม่สงบหรอกเพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นคนใจร้อนมากโอ้โนะอย่าไปโกรธมันนะมันฟุ้งแลาก็จะไปบังคับมันสงบมันไม่สงบก็โกรธมันอีกอะอนะหายใจไปสงบก็หายใจไปรู้สึกไปพุทโธไปนะหายใจฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปสงบก็รู้สงบเมื่อไหร่ก็ช่างมันฟุ้งเมื่อไหร่ก็หายใจไปเรื่อยให้ยืนยันตั้งใจตั้งมัน่นปฏิบัติไปเรื่อยๆเออไปเรื่อยๆแม่หวังผลน ะ, ะของโยมหวังผลไหมล่ะ นั่นแหละถ้ามีอยากอยู่นะยังยากอยู่อยากเป็นตัวสมูทไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากไม่ใช่ตัวพ้นทุกข์นะเราสิ้นอยากถึงจะสิ้นทุกข์แต่เบื้องต้นอาศัยอยากไว้ก่อนอาศัยอยากปฏิบัติอยากดีอยากพ้นทุกข์นะเราลงมือปฏิบัติเม่อวันหนึ่งค่อยละความอยากไปทีหลังถ้าอยู่ๆบอกไม่มีความอยากไม่มีความอยากเราภาวนาทาไม ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วนี่นะก็อยากจะนิพพานเร็วๆอะค่ะเออไม่เร็วหรอกนีิพพานได้เราสิ้นอยากแต่อาศัยยากนะเราหายใจไปรู้สึกไปรู้สึกไปจนใจมันถึงฐานจริงๆอะใจตั้งมั่นนะแล้วก็มาดูไปโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธตามองเห็นรูปใจโกรธรู้ว่าใจโกรธหูได้ยินเสียงใจโกรธรู้ว่าโกรธใจวิคิดเองก็โกรธได้อีกก็รู้ว่าโกรธนะไม่มีใครจะโกรธโกรธตัวเองอีกรู้ว่าโกรธอีกนะ ไปฝึกอย่างนี้นะ<ล>อ่ะต่อไปขอบคุณค่ะกราวนวัฒการเจ้าค่ะส่งกันบ้านเจ้าค่ะอมเมื่อประมาณเป็นเดือนนะคะกะนะะ็เมื่อเดือนที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อนานแล้วเจ้าค่ะก็ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีแรงจนไปชมรมกันลยในน้ำทำที่ที่หลวงพ่อไปเท่นะเจ้าค่ะ ระหว่างฟังเทศทั้งวันก็ทำสมาธิอย่าเอ่ยชื่ออาจารย์นะไม่สิค่อก็ฟังทุกท่านแล้วก็นั่งสมาธิไปหลังจากนั้นจะรู้สึกว่าค่อนข้างมีความสุขอยู่3าสี่วันนะเจ้าค่ะไม่เกินเจวันสมาธิมันจะอยู่ได้ไม่เกินเจวันนะทีนี้นี่ก็ช่วงหลังสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเพื่อนๆมาให้มาขอคำปรึกษาอยู่มาก ทีนี้เนี่ยเราก็เล่นเอาเราฟุ้งไปด้วยโอ้ต้องระวังนะทีนี้ก็อยากจะขออนุญาตเรียนปรึกษาพระอาจ า, ารย์ว่าเวลาคือเราจะเจอคนที่เขาเหงาเหงาเยอะอืเราก็เข้าใจว่าเรามีความสุขกับเขาอยู่นิดนึงแต่พอเราคุยกับเขาเป็นานๆเราก็เหงาตามเขาไปด้วยใช่คือความรู้สึกของเขาเนี่ยมันครอบงําจิตใจของเรากําลังจิตของเราเนี่ยไม่พอนะความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเข้ามาครอบงําจิตของเราไปด้วย มันไม่ใช่เราเหงานะมันไปเอาของเขามานั้นใจเราต้องแข็งแรงกว่านี้นะต้องซ้อมทุกวันนะซ้อมในรูปแบบไปแล้วเวลาให้คำปรึกษาต้องมีลิมิตนะไม่ใช่ฝึกปรึกษาแบบนอนสต็อปไม่ได้น ะ, ะ, ะส่งกันบ้านต่อคือช่วงนี้เวลารู้สึกอย่างเมื่อ ก, กี้พอดีหลวงพ่อเทศพอดีว่า ร่างกายรู้สึกร้อนหรือเย็นเป็นบางส่วนเนี่ยบางทีใจมันไหลไปดูเออนั่นรู้ทันใจเออแต่ถึงจะรู้ก็ก็ไม่กลับมานะคะให้รู้ว่าไม่กลับ<อ>จิตไหลไปให้รู้ทันจิตไม่ยอมกลับมารู้ว่าไม่กลับอยากให้กลับรู้ว่าอยากนะนี่เรียกเรารู้ทันจิตไปเรื่อยสังเกตไหมจิตไหลได้เองดว อ, อกไหมมันไหลไปได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ทางานได้เองนะดูมันไปอย่างนี้เรื่อย ปัจจุบันนี้เวลาหลงไปคิดเนี่ยบางทีมันกลับมาเองด้วยด้วยกําลังของสติแต่หนูก็ยังไม่เห็นยังไม่ได้เข้าใจถึงถึงลักษณะการเกิดดับจริงๆริงอ่ะนะเจ้่ะไม่เป็นไรนะให้มันกลับมาก่อนอ่าแล้วก็บางทีก็ก็กลับมากับรู้ลมหายใจแล้วก็เวลาเกิดสภาวะอะไรยังติดยังติดนิสัยที่ชอบหันไปวิเคราะห์ดุเพื่อจะจําว่ามั น, ม, นมันคืออะไรอยู่นะเจ้าค่ะห้ามมันไม่ได้นะก็ะแค่รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่นะ สุดท้ายแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูควรจะปรับปรุ ง, รงหนูห น, หนต้องฝึกของหนูให้เยอะนะยุ่งกับคนอื่นเท่า<อ>ที่จำเป็นก่อนตอนนี้กำลังเรายัางไม่พอจะช่วยคนอื่นเราคล้ายๆเราว่ายน้ำไม่แข็งเราเห็นเขาตกน้ำอยู่ห่างฝั่งมากๆเราไปช่วยถ้าเราจมไปด้วย<อ>ความเหงาของเขามันเข้ามาในใจเราได้เมืนะ่อเราฝึกใจของเราให้แข็งนะ ครูบาาจารย์ท่านสอนบอกว่าฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นนะเราฝึกอย่างนี้นะขอบพระคุณเจ้าค่ะช่วยเท่าที่จำเป็นน ะ, ะกราบนมาตรการหลวงพ่อค่ะคือว่าลูกปฏิบัติมาได้สองปีแล้วฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปกติจะอยู่ในรูปแบบทำสวดมนต์กับเดินจงกรมนะคะสมาธินี้นั่งไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะชอบเคล้ม ส่วนมนก็นเดินจงกรมหรื อ, อ, อตอนเช้าจะทำวัดเช้าแล้วแล้วตอนกลางคืนจะเดินจงกรมน ะ, ะ เ, เวลาทำวัดเช้าเวลาเดินจงกรมหวังว่ามันจะดีไหมคือบางทกีก็ค่อนข้างจะหวังนะคะนะว่ามันจะสงบหรือ เ, ออเออปล่าตัวเนี้ยไม่เอาเลยนะทำไปถือว่าเราส่วนมนบูชาพระพุทธเจ้าเดินจงกรมบูชาพระพุทธเจ้าจะสงบจะไม่สง บ, ไ ม, สงบไม่สำคัญหรอกขอให้ได้ทา ขอให้ได้ทำเหตุเถิดผลจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญหรอกปกตินี่คือจะพยายามอยู่กับลมหายใจในระหว่างวันน ะ, ะ่ะเวลาทำงานมันอยู่ไปมันก็หวังนะหวังไปเรือ่อยมาให้รู้ทันตัวนี้แหละที่ขวางเราอยู่ใจมันคอยลุ้นนะนะดูออกไหม<ป> <laughs> มันมันหวังผล เนี่ยที่ดูดูอยู่เนี่ยอยากได้เร็วเๆ็วอยากพ้นเร็วๆอะไรย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ทราบถ้าอย่างนั้นต่อไปให้พยายามรู้ตัวรู้ทันรู้ทันใจของเรานะแล้วที่ผ่านมาปฏิบัติลักษณะอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ทําต่อไปแต่ว่าทาไปถือว่าทําเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อหวังจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมานะ<ช>ปรับนิดเดียวปรับเป้าหมายของการปฏิบัติและมันจะดีขึ้น ไม่ทราบวันนี้จะขอคือความเมตตาขอโอกาสให้ลูกชายนะคะพอดีเคยพูดให้ลูกฟังแล้วไหนลูกชายอยู่ไหนอยู่ข้างข้างหลังนะคะกี่ปีแล้วสิบอนะคะพอดีว่าพูดภาษาไทยไม่ก็ได้แล้วเคยพูดธรรมะให้ฟังแล้ววันหนึ่งเขานั่งทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเขาเอามือหมุนหมุนคนเครื่องทดลองนะคะ<อ>แก้วแล้วอยู่ดีเขาเห็นว่าตัวเองเนี่ยตรงแขนค่ะ ตรงแถนมันมหายไปเออนะของคนมันมีบารมีก็อย่างนั้นเลยอ๋อเลยคะคือว่าพูดหลายครั้งหลังจากนั้นเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่านะคะไม่คิดเองหรอกนะคะปกติเขาไม่ได้ทําอะไรมากนะคะแค่สวดมนต์ก่อนนอนแค่นั้นเหลือเฟือแล้วความจริงแค่ฟังซีดีหลวงพ่อก็ภาวนาเป็นแล้วค่ะก็พูดอาจารย์เดี๋ยวนี้นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรู้สึกเขามีสติขึ้นเหละดีแล้วไป็นอย่าางี้ไปทํอะไรเเพิิ่มมมตย่าไปเนนนเเเด็กะให้้้ารรียูไป เราพัฒนาตัวเราไปเรื่อยเดี๋ยวลูกก็เปลี่ยนเองอ่ะอ๋อนะคะขอบขอบคุณมากค่ะอ้าวต่อไปเอ อ, เ, อเมื่อวันเมื่อวันอาสาฬหานะคะเพื่อนๆนบอกว่าโยมตอบคำถามท่านผิดเหรอหลวงพ่อลืมไปแล้วหร อ, <c oughs> อท่านถามว่าโยมมีความคิดเห็นของตัวเองแรงหรือเปล่านะคะโยมก็บอกว่าไม่แต่ความจริงน่ะสมัยก่อนสมัยก่อนเนี้ยโยมมีความคิดเห็น แรงจริงๆค่ะแล้วก็รู้ตัวพอใครขัดเนี่ยจะมีโทษสะก็รู้นะคะดีแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโยมมีความคิดเห็นแต่ว่าโยมพูดออกไปเนี่ยเพราะว่าโยมหวังดีต่อต่อเขาเหล่านั้นอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นแรงหรือเปล่าค่ะแรงแรงหรือคะโอ้แล้วถ้าไม่แรงนี่ทำยังไงคะไม่แรงนะพูดด้วยเมตตาเขาจะเอาไม่เอาเรื่องของเขาอ๋อใช่ค่ะเอาแบบนั้นนะเด่วันนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแต่สังเกตไหม ถึงจะพูดหรือจะไม่พูดก็ตามอ่ะเรายึดในความเห็นของเราแรงเนี่ยตัวนี้แหละที่ต้องรู้ทันนะเรายังยึดว่าอันนี้ถูกรู้สึกไหมชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันธงเลยถูกแน่นอนนั่นแหละไปดูตัวนี้แหละใช่สิไม่หลอกหรอกนะตัวนี้แหละทําให้ใจมันแข็งไปหัดรู้หัดดูไปด้วยนะเพื่อนๆเขาเลยเตือนว่ายมตอบท่านผิด อืโยมก็เลยไม่ได้ฟังไม่หลวงพ่อไม่ว่าหรอกหลวงพ่อก็รู้แต่ไม่ว่าอะไรหรอ <c oughs> <c oughs> กเดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยววันหลังก็เห็นค่ะ <c oughs> แล้วและอีกอันหนึ่งว่าท่านท่านบอกว่าอโยมมีโยมมีความคิดไหมโยมคิดไหมโยมก็โยมก็จะตอบท่านว่าโยมอะเป็นคนไม่คิดมากอืแล้วก็แต่ว่าฟุ้งอะไรเงี้ยรู้ออื ่จริงจริงทุกคนนะทุกคนอ่ะคิดตลอดเวลาใจนี่มีธรรมชาติคิดไงนะ <c oughs> นี่เวลาใจไหลไปคิดเราก็รู้ไว้เท่านั้นแหละของโยมบางทีมันไหลไปคิดอย่างยาวนิดหนึ่งก็คอยรู้ให้เร็วขึ้นเท่านั้นแหละแล้วตอนที่ท่านบอกว่าโยมเอาสมาธิไปกดไปกดให้ให้ติดเฉยๆอ่ะพอโยมปล่อยออกมาโยมก็หลงในความสุข แต่แต่โยมก็รู้ทันแล้วเออต้องอย่างนั้นแล้วแล้วตอนเดี๋ยวนี้พอพอเห็นอะไรเนี่ยก็จะเกิดปิติจะเกิดออจะเกิดความหดหูออ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันทํางานละถ้าไปนิ่งอยู่นะไม่มีอะไรเลยใครจะเป็นใครจะตายอุเบกขาลูกเดียวเลยนะไ อ, อ้อยากนั้นไม่ใช่นะอ ค, คือตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะ่ะดีถ่นิ่งไปแล้วะะถูกต้องแล้วค่ะขอบพระคุณแคร์นามสกันค่ะหลวงพ่อ หนูส่งการบ้านรอบหนึ่งปีค่ะแต่หนูว่าในหนึ่งปีเนี้ยหนูทําอะไรมันก็ผิดไปหมดแล้วล่ะหลวงพ่อเหรอไม่ทําผิดมากกว่าแล้วมันมีความร้อนใจมันมีแต่ความทุ่งซ้าน ม, มีแต่ว่าความอยากแล้วทาให้เกิดความทุกข์เงี้ยค่ะหนูว่าคิดว่าหนูคงทําอะไรไม่ได้หนูก็ได้แค่สวดมนต์นะคะข อ, อทางเดินให้หนูด้วยค่ะสวดมนต์ไปนะแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราจะทําอะไร เราสวมดมนต์แล้วรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานไปเรื่อยดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะแล้วมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําอย่างนี้แล้วการปฏิบัติจะดีอะไรเงี้ยผิดหมดอนะ่ะมันกลายเป็นของปลอมเราไม่ทําอะไรหรอกเราก็แค่รู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกายเขาทํางานเห็นใจเขาทํางานเรื่อยๆไปนะอย่างนี้เราก็ไม่ผิด แต่อย่าไปกลัวผิดนะการปฏิบัตินะ่ะมันต้องผิดก่อนผิดแล้วเราก็ค่อยรู้ทันมันก็ค่อยค่อยถูกขึ้นมารู้สิ่งที่ผิดนะแล้วเขาจะถูกของเขาเองพยายามจะทำให้ถูกเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยกระทั่งพยายามจะทำให้จิตเป็นผู้รู้นะยังผิดเลยนะจิตจะแข็งไปมาตรการหลวงพ่อครับออขอส่งการบ้านรอบหนึ่งปีคือครั้งแรกนิดจิตผมแข็งเป๊กเลยเออแล้วก็ เห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันครับดีนันนี้ระหว่างปีนึงนี้ผมลองลองไปเรื่อยเรยรู้สึกมันไม่แน่ใจมันผิดถูกหรือเปล่าเนี่ยตอันนี้การรู้สึกตัวปัจจุบันผมไม่ทราบมันยังถูกหรือเปล่าหลือว่าจิตขนาดนี้รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกถูกต้องคือมันมันกระจายออกนอกไหมคิดว่าออกนอกนะเออให้รู้ทันว่าจิตออกนอก อันนี้อยากจะทราบคือกลัวหลงทางไม่หลยไม่หล ง, หลงที่ทอยู่นี่ถูกทางแล้วคือตอนนี้เนี่ยเห็นน้องก็บอกให้เดินจงกรมมั่งอ่าตอนนี้บางทีไม่มีเวลาเนี่ยตอนนี้วันนั้นฟังซีดีหลวงพ่อคือว่าอ่าแบบมีเวลานิดนึงเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวอย่างนั้นได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าคือคนเนี่ยพออายุสี่ิบแปดอัพนะต้องกระดุกกระดิกไว้ นั่งนิ่งๆเฉยๆมันทีซึมง่ายนะเป็นทุกคนอนะนะถึงสี่สิบแปดหรื อ, อยังห้าสิบห้าแล้วครับเออเออยังดูหนุ่มแต่ว่ากระดุกกระดิกได้ดีนะถ้าเดินจมกลมไม่ได้ก็นั่งกระดุกกระดิกมืออย่างนี้ก็ยังได้นะหลวงพ่อนั่งขยับไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ขยับเอาเป็นเอาตายนนี่นะ <c oughs> แค่ขยับแล้วคอยรู้สึกใจหนีไปมันจะลืมมือไปบางทีขยับไปนะขยับไปเรื่อยเยใจหนีไปไหนละ ขยับแล้วก็คอยรู้ขยับแล้วคอยรู้คือที่ผมเดินจงกรมนี่มันมันใช่มันมันได้ไหมหรือว่ามันได้ที่โยมทําเนี้ยนะหลวงพ่อดูจากผลลัพธ์ของการปฏิบัตินะโยมดีขึ้นอ่ะเ้วที่เกินพยายามนั่งก็เรียกนั่งสมาธิเนี่ยอมันแบบที่เคยฟังแบบบางคนนั่งแล้วเคลิ้มอะไรพวกนี้มันของผมรู้สึกมันไม่เคลิ้มคือมันก็มันไม่ไม่ไต้องเอาเคลอ้มนะ เอาแล้วใจไหลไปแล้วรู้ทันใจไหลแล้วรู้ทันฝึกเท่านี้ก็พอละคือให้มีสติอยู่ยใช่ใช่ได้ใช่ไหมครับสมาธิถ้าเคลิ้มไปหลังขาดสติไปไม่ดีแต่เวลาจิตรวมนะทั้งๆ ท, ท, ที่รู้สึกตัวอยู่แล้วจิตรวมนะมันจะรู้สึกเคลิ้มนะแต่เคลิ้มแบบไม่ได้ไหลออกไปเคลิ้มอยู่ที่เดียวนี้เลยตั้งอ ย, อย่างนี้เลยจะรู้สึกอย่างนั้นนะจิตรวมเข้าไปอยู่ข้างในนะก็วสว่างสวัยอยู่ภายในรู้เนืรู้ตัวอยู่ที่โลกนี่ดับไปเลยไม่มีโลก ไม่มีร่างกายแต่ที่จิตอันเดียวแต่จิตไม่ได้เคลื่อนไปไหนไม่ขาดสติไม่เคลิมขอกันบ้านที่หุดให้ทำ อ, อีกนะ<ค>ให้ทำอิจเหมือนเดิมนะครับออแล้วถ้าใจอยากได้ผลนะให้รู้ทันไหมน ะ, ะต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมขอส่งกันบ้านครับผมรู้สึกว่ากายนี่เหมือนกับมีเป็นของที่มีก้อนทุกติดอยู่ถูกต้องแล้วนี่ทุกอริยาบทของกายเหมือนกับว่าเป็นแต่การแก้ทุกข์ครับใช่ แต่ใจต้องเป็นกลางนะใจเกลียดมันไหมก็บางครั้งก็ไม่ชอบอครับอันนั้นแหละให้รู้ทันตัวนั้นนะตัวนั้นกวางอยู่เวลาที่เรารู้สภาวะเราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางนะเอาคนมันยังไม่กลางนะยังเกลียดอยู่ครับส่วนใจนี้ผมรู้สึกว่าเป็นของที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ออรู้อารมณ์ก็ก่ออารมณ์ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยอครับออกดอยู่ไหมมีมีบ้างครับออให้รู้ทันนะครับ แล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าใจนี้่พอใจหรือไม่พอใจอารมณ์ขึ้นมามรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีก้อนความเป็นตัวตนอยู่ดีที่เห็นครับนะแล้วก็ไอ้ก้อนความตัวตนนี้ก็ไปจงใจทําให้ขยายความพอใจอมไม่พอใจของจิตมันขึ้นมาอีกโอ้ดูได้ละเอียดดีครับผมรู้สึกว่าผมเคยรู้สึกว่าความทุกข์มันเหมือนกับใกล้ตัวแต่ผมก็รู้สึกว่ายังประมาทอยู่อืต่อมาผมรู้สึกว่า ความทุกข์เนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ออผมก็ยังรู้สึกว่าประมาทอยู่ออผมอยากให้หลวงพ่อแนะนำผงรบกวนหลวงพ่อกรุณาแนะนำเร า, าดูรเราดูสม่ำเสมอไปนะอย่าโลภนะดูไปเรื่อยๆถ้าใจเราอยากได้ผลเร็วๆจะไม่ได้ผลนะแล้วก็ดูไปถ้าใจไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไว้ใจมันจะไปเจือโทสะได้นะให้รู้ทันเอาขอบคุณครับ ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะมาสักการกับหลวงพ่อครับมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครับคราวที่แล้วไปหาหลวงพ่อไปส่งกันบ้านมาทีหนึ่งแล้วก็ขอกันบ้านมาทําเพิ่มเติมกรับครั้งนี้ก็กลับมาภาพเพียนดูเพิ่มครับก็ตอนนี้รู้ลงไปก็รู้สึกรู้ลงขันต ล, ลอดมีที่เห็นบ่อยๆก็มีเวทนาตัญหาแล้วก็สังขารมันหมุนไปหมุนมาอยู่ตลอด เราเห็นขันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ดีแล้วครับแต่มันมีตัวนิ่งเหลืออยู่ไหมตัวนิ่งเหรอครับไม่ไมัไม่ทันสังเกตครับหลวงพ่อช่วยได้นะให้หอคอยรู้ทันนะถ้ามันใจมันยังเหลือตัวหนึ่งนิ่งไอตัวดูนั่นแหละมันนิ่งนิ่งอยู่ตัวอื่นนะเคลื่อนไวหวหมดแล้วมิ่งเหลือตัวหนึ่งแอบนิ่งอยู่นะแสดงว่าเรายังประคองอยู่หลวงพ่อถ้าปล่อยมันครับ มันเป็นบางครั้งที่อยู่ๆมันก็ทํางานโดยที่มันรู้รู้รู้อัตโนมัติมาอย่างนั้นคืออย่างนั้นนะเปถูกเปเลยครับหลวงพ่อแต่ก่อนที่มันจะรู้อัตโนมัติได้เราก็ต้องค่อยๆฝึกใช่ไหมคับหลวอจนกระทั่งในที่สุดสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติถ้าเขาสติสมาธิปัญญาถูกต้องนะนาอัตโนมัตินะอริยมรรคจะเกิดขึ้นครับหลวงพ่อแต่ถ้ายังมีความจงใจแม้แต่เล็กแต่น้อยนะอริยมรรคจะไม่เกิดจะเกิดพบพื้นแทนครับ ตัวเจตนาตัวความจงใจเนี่ยเป็นปัจจัยให้ให้เกิดพบนะครับตรงเวลามันจงใจขึ้นมาผมจะเห็นเป็นเป็นตัวตนขึ้นมาเออนั่นแหละมีพบแล้วมันมีชาติขึ้นมามีกูขึ้นมานะครับที่ที่ทําอยู่นี่มันมันดีขึ้นแล้วล่ะนะแต่ให้คอยรู้ทันไอ้ตัวที่นิ่งอยู่ตัวหนึ่งครับหลวงพ่อครับปล่อยตัวนี้สักกล้ากล้าครับหลวงพ่อแต่ปล่อยแล้วร้ายมากเลยนะต้องระวังครับเคยเคยเห็นมันเออร้ายโคตรเลยนะครับ ไม่ธรรมดาหรอกม้าพยศนะครับเออมันพยศแรงครับมันพร้อมจะเตะเจ้าของเลยสู้ตายจะทําอีกนะดีขึ้นเยอะแล้วนมัสการครับหลวงพ่อก็ปฏิบัติเห็นว่าเวลามีความคิดเกิดขึ้นมันมีตัวเราแล้วมันก็กลายเป็นเราคิดกลายเป็นเราถูกคิดคือมันกลายเป็นตัวเราทั้งสายเลยใช่ใช่แล้วค่อยมีสตินะถ้าขันมันแยกออกไปตัวเรามันจะหายไป ถ้าขันมันมารวมกันนะตัวเรามันก็เกิดขึ้นคือจริงๆมันเป็นสัญญาวิปลาสใช่ไหมครับว่ามีตัวเราเป็นพื้ที่เป็นสัญญาวิปลาสแล้วทีนี้ปฏิบัติไปก็เห็นขันไม่ใช่ตัวเราพอสมควรแต่ทีนี้มันติดอยู่ที่ตัวจิตมันยังคล้ายๆย่งเห็นจิตมันเหมือนเห็นจิตพิเศษมันจะไปหุนหินมันสิเห็นจิตเป็นตัวตนอยู่ไม่ไม่ห้ามมันนะการที่เรายังมีจิตเป็นตัวตนนั้นเป็นปกติเราไม่ใช่พระโสดาบันนะ เป็นพระโสดาบันแล้วมันจะหายไปตัวนี้ดูตัวนี้เป็นนะดีแล้วคือมันจิตจริงๆมันคือวิญญาณในขันห้าใช่แล้วมันมีอาการได้มันคิดได้มันทางานได้เลยเห็นไได้จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจิตนะั้นทำงานได้สิบสี่แบบนะทำงานเกิดก็ได้ทำงานตายก็ได้ทำงานรักษาเป็นภวังอยู่รักษาชีวิตอยู่เงี้ยก็ได้ คิดนึกเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้รับรู้อารมณ์ทางตาก็ได้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้พิจารณาอารมณ์ก็ได้ตัดสินอารมณ์ก็ได้เสฟอารมณ์ก็ได้เซฟข้อมูลเก็บเข้าผวางขาจิตไว้ก็ได้นะสารพัดเลยจิตทำงานได้ทั้ง14อย่างนะเรวคอยดูไปเรื่อยเราจะเห็นว่าไม่ใช่เราหรอก มันอยู่มันถือเป็นวิญญาณในขันห้าใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นอะไรนอกขันคือมันไม่มีของนอกขันห้าไม่มีนอกจากขันห้าก็คือพระนิพพานนะอย่างองค์ประกอบของจิตสมาธิอะไรคือเป็นสังขารที่ประกอบนั่นคือสังขารเป็นเจตสิกประกอบจิตก็คือตัวจิตจริงๆแค่รู้อย่างเดียวใช่ไหมตัวจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์แต่มันจะรู้อารมณ์ได้ก็อาศัยเครื่องมือนานาชนิดเช่นอาศัยสติไปรู้รูปธรรมนามธรรมที่กําลังปรากฏ อาศัยความคิดนึกอะไรเงี้ยไปปรุงต่อน ะ, ะมันอาศัยอุปกรณ์นานาชนิดเลยที่จะทำงานแล้วผมจะไปรู้ว่ากายมันทุกตลอดนี่ไม่ไม่ข้ามขัน้นใช่ไม้มไม่ข้ามคั้นเดี๋ยวก็ทุกคือมันทุกตลอดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคข้นียนั่นแหละดูไปเรื่อยแต่ใจเป็นคนดูนะใจเป็นกลางไว้ถึงจะใช้ได้ แล้วก็สุดท้าย ค, คือเวลาวิปัสสนาจริงๆเนี่ยคือเป็นแว็บที่มันเราไม่ตั้งใจแค่นนัแค่แว็บนั้นเองนั่นแหล ะ, ว, หละวิปัสสนาแท้ๆเกิดไม่มากหรอกยิ่งอริยมรรณะเกิดขนาดจิตเดียวเองไม่เกิดเยอะหรอกก็คือพอมันแวบขึ้นมาแล้วเราไปจงใจรู้ก็คือรู้ท้ายของปลอมละมแต่ว่าต้องปลอมไปก่อนอาศัยทําปลอมๆไปนั่นแนหะของจริงค่อยเกิดเวลาของจริงเกิดไม่ได้เจตนาให้เกิดนะเกิดเอง ในในในขั้นการฝึกก็คือต้องจงใจไปก่อนจงใจไปก่อนแล้วก็แว็บเดียวก็พอแว็บ บ, บ่อยๆหน่อยก็แล้วกันถ้าแว็บนั้นเป็นมักนะก็ต้องสี่ครั้งถึงจะพอ <c oughs> ถ้าเป็นแว็บของปัญญาทีปรัสนาปัญญาอะไรนี้ก็ทำไปเรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแหละก็ปฏ <c oughs> ิบัติ <c oughs> เป็นความรู้ความเข้าใจของจิตที่เกิดขึ้นเวลาจิตเกิดมีปรัสนาปัญญาขึ้นมาแต่ละคราวแต่ละคราวนะบางทีมีความสุขอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เกินเจ็วัน ก็ปฏิบัติต่อไปอย่างนี้ใช่ได้ใช่นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูเป็นคนฟุ้งซ่านนะคะแล้วหนูลงไปคิดบ่อยมากพอหนูหัดดูหัดดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าทุกมันน้อยลงอะไรนะทุกมันน้อยลงค่ะทําไมพอหัดรู้หัดดูอ๋อใช่สิแล้วทีนี้มันจะมีบางช่วงที่หนูรู้สึกว่าหนูเห็นทุกหนูรู้ทุกแต่ว่าหนูรู้สึกว่าใจหนูไม่ไปยึด ติดกระทุกน่ะแล้วมันีทุกอยู่ห่าเออท่มอยู่ห่างๆใช่แต่คือที่นี้ด้วยความที่หนูเคยปฏิบัติมาแล้วหนูเครียดอะค่ะเคยเครียดมาก่อนแล้วที่นี้หนูเลยไม่มั่นใจว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้มันถูกหรือเปล่าถูกโดกหน้าไปทําอีกแล้วอ่ามันจะมีบางช่วงที่หนูรู้สึกว่าจิตมันฟุ้งฟุงวุ้งวุงแปลกๆค่ะงงๆนั่นแหละก็รู้ว่าจิตฟุ้งฟ้งรู้สึกว่าจิตแปลกๆก็รู้ว่าจิตแปลกๆไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้ว่าแปลกแบบไหน ชื่อไม่สำคัญนะสำคัญที่รู้สภาวะของมันค่ะได้ค่ ะ, แ, ะแต่เวลารู้อย่าถลําลงไปรู้นะดูห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆอย่ากรา ะ, ะจนลงไปรู้น่อยากระโจนลงไปกออย่างขนาดนี้สงสัยไหมสสจิตกับความสงสัยมันไปรวมกันเงี้ยมันถลําไปแะ้ถ้าถ้าจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นในความสงสัยกับจิตนะั้นเป็นขรุขรนกันค่อยๆฝึกน ะ, ะมันแยกขันไปเรื่อยๆ ค่ะได้ค่ะแล้วอ่าอีกข้อสุดท้ายค่ะคือหนูอยากจะทราบว่าหนูควรจะปฏิบัติในรูปแบบไหนเพราะว่าหนูไม่กล้าทำอะค่ะทำไมกลัวนะเครียดกลัวเลยนะกลัวเครียดค่ะอ๋อกลัวเครียดเหรอแผ่เมตตาได้ไหมให้ให้ตัวเองแผ่เมตตาให้ตัวเองแ ผ, <c oughs> แผ่เมตตาให้คนที่เรารับอะไรเงี้ยนะแผ่ไปได้่อยเรยแล้วก็ค่อยปฏิเอ้ยแล้วก็ค่อยทําในรูปแบบอะค่ะเออแล้วค่อยขยายความรู้สึกเมตตาออกไปใจก็ร่มเย็นเป็นสุขใจได้สมาธินะ เอาไว้พักผ่อนค่ะก็คือตอนนี้ยังไม่ต้องทำในรูปแบบก็ได้ใช่ไหมคะถ้าคิดอตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำในรูปแบบก็ได้ใช่ไหมคะทำในรูปแบบเป็นเรื่องดีนะ อ, อ, อย่าพยายามต่อรองหลวงพ่อเพื่อจะไม่ทำเลยค่ะมาถามหลวงพ่อเพื่อหาความชอบทำที่จะไม่ทำ <c oughs> มันเป็นของดีทำได้ก็ทำน ะ, ะนั่งสมาธิไปแผ่เมตตานั่งแผ่เมตตาไปเรยนี่ก็คือทำในรูปแบบแล้วค่ะไนะค่ะขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อ น้ำมาสการหลวงพ่อครับเออผมฟังซีรีมาหลายปีละนะครับแล้วก็ช่วงทําใหม่ๆ ห, หลายปีก่อนทําแล้วเพลงเพลงจนเพลงมา ก, มากอืกเพลงจนหัวจะระเบิดเลยโอเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้หลายหลายปีผ่านมาก็ยังเพลงอยู่แต่ว่าผมว่ามันน้อยลงเบาลงครับใช่สติไห <ง S 2> มถ้าเราเราพาวนานมาเรื่อยๆนะใจเราก็โปร่งโล่งเบามากขึ้นนะ มันรู้เนื้อรู้ตัวได้ชัดขึ้นชัดขึ้นดีขึ้นแะไม่ได้มีปัญหาอะไ ร, รเพราะว่าอย่างทุกวันนี้บางทีพองานไม่มีว่างนิดนึงก็เหมือนมันกลับมาเองเออมันกลับมาหาลมหายใจและสติมันมาเองนะครับเวลากลับมาอยู่กับลมหายใจนะอย่าให้จิตไหลไปรวมเข้ากับลมเราแค่เห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจเราเป็นคนดูสบายๆเหมือนนั่งดูคนอื่นหายใจนะ นะแต่ส่วนใหญ่จะลงไปถลำลงไปรูออนะ้มากกว่าครับถ้าถลำเดียมันเครียดได้ก็จะแต่พอมันบางช่วงออกมาสตมมิมันก็เบาไปจุดหนึ่งแล้วก็กลับไปถลำใหม่ออลงไปรู้ให้คอยรู้ทันจิตที่ถลำไปนะเวลารู้ลมหายใจเนี่ยอย่าบีมจิตอย่าคอนเซนเทรลงไปอยู่ที่ตัวลมนะแค่เห็นร่างกายทั้งตัวนี่มันหายใจเห็นไปอย่างสบายสบายสบายใจเห็นตัวนี้มันหายใจ ฟังมาเยอะแต่ทำยากเหลือเกินครับยากก็ต้องทำากต้องทำใช่นะแต่ทำแล้วเราชีวิตเราดีขึ้นของคุณนั่นแหละมันก็เริ่มเห็นผลแล้วครับก็รู้สึกว่าหลายปีนี้มาปัญหาอะไรมันก็สั้นลงมีเรื่องอะไรผ่านไปก็รู้สึกเออเทียนก็ผ่านไปเอนั่นแหละนะนั่นแหละผลที่เราอุตส่าห์ภาคเพียรนะครับอดทนไป แล้วมีอะไรการบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ทําต่อนั่นแหละทําแบบที่ทําอยู่ทําแต่เวลานั่งสมาธิอย่าให้จิตถลำเพราะไปอยู่ที่ลมให้เห็นร่างกายทั้งร่างกายมันหายใจไปอย่างสบายๆอย่าลืมคําว่าสบายนะเคล็ดลับอยู่ที่คําว่าสบายนี่เป็นเคล็ดวิชานะนคำภีร์ใครก็มีนะอย่างสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยในหลักสูตรนักทำเอกมีนะสมาธิทาไงวิปัสสนาทําไง คำภีรมีเหมือนกันหมดนะแต่มันไม่มีเคล็ดมันต้องมีเคล็ดวิชานะถ้าจะทําสมาธิต้องสบายบ้านจิตสบายนี่แหละมีสมาธิขอบพระคุณมากครับค่ะกับนรมาส ก, การหลวงพ่อนะคะก็เคยมาคราวที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอืมที่สวนซันดี้ทํานะคะแล้วหลวงพ่อก็เคยบอกว่าให้ไปดูความอยากของอเราอืม มันก็เหมือนว่าไปดูมันก็ค่ะมีเยอะขึ้นเห็นเยอะไหมเห็นเยอะขึ้นี่จริงใจเราอยากทั้งวันนะเดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากคิดอยากได้กลิ่นอยากกินโน่นอยากกินนี่นะอยากเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยให้รู้ทันใจที่อยากเราจะเห็นเลยว่าใจมันอยากได้เองนึกออกไหมมันอยากได้เองนะแล้วเวลาเราไปรู้ทันความอยากหายไปมันก็หายของมันเองเราสั่งให้หายไม่ได้หรอก ไปดูบ่อยๆจะเห็นเลยว่าใจนี้ไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองไปดูบ่อยๆนะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนดู<ม>แบบร่างกายแบบทํากิจวัตรประจําวันอย่างนี้ค่ะใจเราเป็ น, นคนดูมันก็จะเหมือนเข้ามาดูที่กายว่าเหมือนพอมันจะกลายเวลาดูกายอ่ะใจต้องเป็นคนดูสบายๆนะอย่าไปเพ่งใส่ร่างกายอย่าให้ใจแน่นๆทื่อๆขึ้นมา ถ้าเวลาดูกายแล้วก็ใจแน่นทื่นะสแสดงว่าเพ่งไว้ละวแล้วทาใจสบายๆค่ะแล้วก็มีคําถาม น, นคะคะคือตัวหนูเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ่ะอืแล้วคือที่ไปอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนคนละศาสนากันแล้วเขาก็เค่งมากมแล้วบางทีหนูก็เหมือนว่าสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่ต้องแกวนงป้ายก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ว่าหรอก นะเรามีสติของเราไปใจเราระรึกถึงพระพุทธเจ้าไปใครจะมารู้ของเราเรามีความสุขของเราอยู่อย่างนั้นมีความสงบในจิตใจของเราอยู่ยนั้นใครก็จะนับถืออะไรก็เรื่องของเขาเราควรจะปฏิบัติยังไงให้มันเหมือนแบบกลับมาที่แบบศาสนาพุทธมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจนะเรารู้ความจริงของกายของใจได้เนืองเนืองนะ ใจของเรามีความสุขมีความสงบมากขึ้นเราเห็นผลของการปฏิบัติเนี่ยเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยนะเรายังไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรอกถ้าเรายังไม่เห็นผลนะเราถึงจะทิ้งได้งั้นอย่างบางคนเปลี่ยนศาสนาไปเพราะมานั่งเสียดายว่าเนี่ยยอดชาวพุทธลดลงล้นะศาสนาอื่นเพิ่มขึ้นจริงๆคนที่เปลี่ยนศาสนาไปนะเขาไม่ใช่ชาวพุทธอยู่แล้วนะเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอก ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราไม่ทิ้งเลยนะทิ้งไม่ได้หรอกค่ะเราหนูควรไปปฏิบัติยังไงต่อให้ใจเข้มแข็งมั่นคงนะข้อตุกกายทำงานใจเป็นคนดูไปถ้าใจมันปรุงแต่งปรุงสุขรู้ทันปรุงทุกข์รู้ทั น, ททนโลภโกรธหลงหงุดหงิดโทสะเกิดขึ้นมากมายรู้ทันนะดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อย ใจมันมีตระกูลโทสะเยอะเราก็รู้ทันเอาเช่นความเศร้าโศกความเศร้าหมองความเซงความเบื่ออะไรเงี้ยนี่เป็นตระกูลโทสะทั้งหมดเลยะตัวไหนเกิดขึ้นมารู้ทันไปก็เห็นว่าเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปแล้วสิ่งที่หนูทําอยู่นี่ก็พอไปทําอีกสินะทําดีแล้วละ่ะทำแล้วต้องทําอีกค่ะถ้าทําทแล้วจะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลย ขอบคุณครับหมดแล้วใช่ไครับก็สุดท้ายนี้จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในบ้านจิตสบายแห่งนี้นะครับกล่าวคำถวายทานที่มีผู้นำมาถวายครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัิจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการละนานเทิรนเหยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวาเมวายโตตินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปะทิตังทุมหังคิประเมวะสมิจฉุสัพเพปูเรนตูสังกปา ฉันโทพันโนโสยัตถะมนิโชติระโสยถาถะสพีติโยอวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจจังมุธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐนเตียยุวันโนสุขังพระลัง